ก็เอาความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยสีปทุกมกำลังนำเสนอพยะเพราวสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุแห่งความกลัวความสะดุง้งอาการขนลุกสู้ชูลกสู้ชูชันในยามที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า ตามคำถามของชานุสโณอิพรามในช่วงแรกส่งแสดงเหตุเป็นนานมากแต่ว่ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าบุคคลใดก็ตามที่ดำรงอยู่ในกุศลมีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์สะอาดประสะากมนทินโทษที่ ย้อนดำลึกไปแล้วจะมีความไม่สบายใจบุคคลเหล่านั้นก็จะมีอาการขนพองสยองกร้าวแต่สาตรงกันข้ามไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจเมื่อย้อนกลับไปพิจาราก็จะมีไปแต่ปีติสมนัสความสงบ อาการขนลุกพองสยองกล้าวก็ไม่เกิดขึ้นจากนั้นก็ทรงแสดงประเภทของกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความหวาดความสะดุ้งเป็นนั้นมากมาถึงข้อสุดท้ายก็เรียกว่ามีปัญญาน้อยหรือปัญญา3ใครก็ตามที่ตกอยู่ในสภาพเหล่านี้ก็จะมีอาการขนพองสยองกล้าวมีความหวาดสะดุง้ง แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเทียบเคียงพระองค์กับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นสมัยนั้นก็คือนอกาศาสนาว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาหวาดกลัวหรืออะไรเป็นเหตุให้เขาไม่หวาดกลัวก็ในที่สุดก็ตรวจสอบได้ว่าเหตุที่เขาหวาดกลัวนั้นก็คือมีปัญหาเรื่องความประพฤต มีปัญหาเรื่องคุณธรรมขาใจอยู่แล้วก็มาเทียบเคียงกับพระองค์ถึงปัญหาเรื่องความประพฤติข้อนั้นๆก็เรียงมาเรื่อยพระองค์ก็ไม่เห็นทุกโทษเหล่านั้นอยู่ภายในพระไัยของพระองค์จึงไม่เป็นเหตุให้ทรงมียการขนพองเสียองค้าหรือหวัดสะดุงในการต่อมาก็อีกจังหวัดหนึ่ง ทรงพิจารณาว่าทำอย่างไรพระองค์จะสามารถบำเพ็ญเพียรอยู่ได้ตลอดทั้งคืนก็ในช่วงของวันแปดค่ำวันสิบห้าคำของแต่ละเดือนเนี่ยทำอย่างไรเมื่อพระองค์อยู่ในที่สงัดที่สงัดที่ทรงยกมาก็มีเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงสภาพของ ภุบิศาสตร์สภาพของท้องถิ่นในสมัยนั้นว่ามีความสงบน่าอยู่น่าใสเห็นอารามเจดีย์ป่าที่เป็นเจดีย์ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ซึ่งตามปกติแล้วคนเข้าไปในสถานที่นั้นก็มีอาการขนพองเสียองกล้าว ถ้าอะไรเราพึงเห็นความกลัวและสิ่งน่ากลัวนั้นดังนี้ต่อมาเมื่อถึงวันที่สิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำและที่แปดค่าแห่งปักก็อยู่ในสถานที่เหล่านั้นเมื่ออยู่ในสถานที่เห็นป่านั้นเนื้อก็ดีนกยูมก็ดีทําให้ทําไม่ให้ตกลงมาก็ดี หรือบลุพัดใบไม้ก็ดีก็เกิดความดำริอย่างนี้ว่าสิ่งที่มานั้นย่อมเป็นความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวนั้นเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยได้คิดหาวิธีแก้ไขว่าทํายังไงเราอยู่ห่างจากความกลัวและสิ่งน่ากลัวนั้นเถิดและความกลัวและสิ่งน่ากลัวมาถึง เราผู้อยู่ในอาการใดจะอยู่ในอาการนั้นขจัดความกลัวและสิ่งน่ากลัวนั้นเพราพอความกลัวและสิ่งน่ากลัวเกิดขึ้นเวลานั้นอยู่ในเดียบทอะไรเดินจงกรมอยู่ก็เดินจงกรมจนหายกลัวนั่งสมาธิอยู่ก็นั่งสมาธิจนหายกลัวยืนจ ง, งกรมอยู่ก็ยืนจนหายกลัว แม้แต่นอนอยู่ก็จะนอนจนหายกลัวถ้ายังไม่หายกลัวก็จะไม่ลุกขึ้นจากสถานที่แ่านั้นคือหมายความว่าจะอยู่ใน i d ยาบทที่เกิดความกลัวนั่นแหละตราบใดที่ความกลัวยังไม่หายก็จะไม่ลุกขึ้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเด i a บทแ่านั้นและรับสั่งในช่วงต่อไปว่า พรา ม, มีอยู่ที่สมณพราหม์พวกหนึ่งสำคัญกลางคืนที่ยังเป็นกลางคืนอยู่แท้ๆว่ากลางวันสำคัญกลางวันที่ยังเป็นกลางวันอยู่แท้ๆว่ากลางคืนเรากราวอย่างนี้เพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นยังอยู่ด้วยความหลงหมายความมันสับสนแม้แต่การเวลาเนี่ยก็แสดงว่าขาดความรู้เห็นตามความจริงของ วันและเวลาเหล่านั้นส่วนรงจะมีความชัดเจนว่ากลางคืนก็คือกลางคืนกลางวันก็คือกลางวันพรอเมื่อบุคคลจะเรียกให้ถูกควรเรียกเราว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลงเป็นธรรมดาเกิดแล้วในโลก เพื่อประโยชน์เกื่อกูลแก่คนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นนันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็แสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่ประไทยของพรุงค์ดำเนินมาถูกทางแล้วก็อยู่ในฐานะที่ จะให้ความเชื่อมั่นแก่คนทั้งหลายว่ารงเป็นสัตว์โลกคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่คนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขใก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกลูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี้คือเนื้อหาสาระ หรือวัตถุประสงค์หลักของการบำเพ็ญเพียรตลอดการยาวนานจนได้มาสรุปเป็นการมองโลกด้วยปัญญาที่แจม่มแจ้งชัดเจนประทัยมีความบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นเราเป็นเขา แต่มองสัตว์โลกทุ ก, ทกชนิดทุกประเภทเราเห็นว่าข้อความที่ด âm รัดนั้นซ้ําำเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาลและมนุษย์ทั้งหลาย พระอันงศ์ก็อยู่ในฐานะที่เป็นศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแน่นอนตอนนั้นยังบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ว่าเจตจำนงที่สว ม, มมุ่งมั่นเอาไว้นั้นในที่สุดก็บรรลุผลหลังจากทรงสแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีรับสั่งว่า ความเพียรเราได้ปรารบแล้วไม่ย่อหยอดสติตั้งมั่นไม่ฟันเฟือนกายสงบระ ง, งับแล้วไม่รัศระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์แน่แน่วแน่นี่ก็คือเดิดมาจนถึงปฐมฌาน แ, และวลักษณะของปฐมฌานที่ปรากฏก็สืบเนื่องมาจากความเพียรเราได้ปรารบแล้ว แล้วก็มีความต่อเนื่องคือไม่ย่อหย่อนสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟืออจนกายสงบระ ง, งับไม่เกิดอาการรัศมีสายจิตตั้งมัน่นมีอารมณ์ที่แน่แน่อยู่กับองค์ของฌานนั้ น, น, น แล้วก็สงัดจากกายสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่วิเวกบรรลุธุติยฌานมีความพ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกที่ผุดขึ้นไม่มีวิตกไมม่ีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไป มีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสศวยสุขด้วยกายเพราะมีติดปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่ระยสระระยะทั้งหลายสันเริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตติฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข พะลาสุขละทุกข์แล้วกระดับโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้มีเบิกขาให้จิตตั้งสติอยู่ในจิตอยู่ในที่สุดนี่ก็คือเรื่องปฐมฌานเวลาทรงอธิบายนั้นเป็นปริยาเกิดทรงอธิบายอย่างนี้ทุกทีมาความ่าถ้าเราท่องไว้แสแห่งแต่ท่องไว้เทียบเคียงดูสภาพจิตของเรา คือทองเป็นบอกอาขยานก็ได้ก็สามารถอธิบายได้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเก็ท่องไว้แล้วก็เทียบเคียงว่าจิตสิ่งที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นมันสอดคล้องกับสภาพจิตของท่านที่บรรลุประตูมิจาทมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าไม่สอดคล้องกันก็แสดงว่ายังมาไม่ถูกทาง ก็ไปเร่งที่ตัวความเพียนตัวสติสัมปชัญญะเลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกก็แล้วแต่ว่าเราตั้งใจระลึกถึงอะไรอยู่ก็ระลึกให้มากข่าวจนอาการทั้งหลายที่เป็นกุศลธรรมปรากฏไปตามลำดับในชั้นแรกก็คือ มีบิดตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลปิติสุขแล้วก็เอกคตาพอวันี้เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับที่ส่งอธิบายว่าเมื่ออริยมรรคเป็ละข้อเกิดขึ้นที่ตรงกันข้ามคืออะไรที่มันดับไปเป็นสมาธิทิเกิดขึ้นมีชาทิติดับไปสมาสังกปะเกิดขึ้นมีชาสังกปะดับไปเป็นต้น ถามาาก็เป็นอย่างนี้เวลากุศลเกิดอกุศลก็ดับกุศลเพิ่มขึ้นอกุศลก็ลดลงอกุศลเพิ่มขึ้นกุศลก็ลดลงจนกว่ากุศลจะสมบูรณ์อกุศลจึงจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่องค์ฌานเหล่านี้เขาเกิดขึ้นปฏิปักษ์ธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับ องฌานทั้งห้าคือกามฉันซึ่งตรงกันข้ามกับเอกคตาก็สงบปยาบาตซึ่งตรงกันข้ามกับปีติก็สงบสุขซึ่งเกิดจากตรงกันข้ามกับมุทจะกุกุจะก็สงบแล้วก็วิตกวิจารวิจารซึ่งตรงกันข้ามกับ วิจิขิจฉะก็สงบตกลงว่าวิตกทำหน้าที่สงบธีนะมิถะวิจารณ์ทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉะปิติทำหน้าที่สงบพยาบาลสุปทำหน้าที่สงบอุทจกขุบุจักเอกกตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็ทำหน้าที่สงบการมาฉันทากามฉันทไปสงบที่หลังเลยนะเรื่องใหญ่อิเลตแรงเพราะว่าไปดับได้จริงๆที่อนาคามีมากงนะทีนี้พอมาถึงทุติยฉานเนี่ย มิตกวิจารมาันสงบออไปยังเหลือแต่สุขยังเหลือแต่ปีติสุขเอกกตาพอถึงตติยชาปีติก็ดับไปยังเหลือแต่สุขเอกกตาพอถึงจะตุทัยชาสุขก็ดับไปยังเหลือแต่อุเบกขากับเอกกต า, าที่ทรงใช้คําว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์แล้วสุข ระดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีบุคาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่จากนั้นก็ทรงแสดงก็เรียกว่านี้เทศแห่งปฐมฌานก็หมายความว่าสภาพจิตของตอนนั้นอย่างที่รับสั่งแสดงไว้ในืิตว่า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 ว่าอะไรอธการนานไกลนั้นเราเคยเกิดมาหรือไม่เราหรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรต่อจากนั้นแล้วไปเกิดในที่ไหนเป็นต้นเป็นคําถามที่ตอบกันไม่หวาดไม่ไหวหรอกชั่วกับชั่วกันชัวน่วนิรันดร์ถึงแม้ว่าบางพวกจะไม่เชื่อแต่ก็ลังเล แล้วการเชื่อในเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือมันไม่ดูที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่ความจริงมันเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นกฎของสังสารวัฏมันเป็นกฎที่มีอยู่ก่อนมนุษย์จะมาเกิดมนุษย์เมื่อเกิดก็เกิดตามกฎนี้ สัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเกิดก็เกิดอยู่ในกฎตรงนี้ก็คือกรรมนิยามกับจิตนิยามเป็นตัวหลักนะะตัวอื่นก็เป็นปัจจัยประกอบเพราะกานการลึกชาติได้นั้นก็อธิบายว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสประาศจากอปปกิเลส อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพเนวาสาาติหาือจะเห็นว่าอาการทั้งหมดเป็นอาการของจิตที่บรรลุฌานก็หมายความว่าไม่สมบูรณ์หรอกแต่มันพร้อมที่จะพัฒนาปัญญาขึ้นไปมองย้อนอดีตไปได้ ได้รับสั่งว่าเรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นนันมากคือระลึกชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างก่อนับไปเรื่อยๆนะฮะก็นับต้องตัวยาแหละมันเยอะเหลือเกินตลอดถึงคําที่ทรงใช้นั้นเป็นภาษาที่เรานับไม่เป็นตลอดวิวัตรกับเป็นนันมากบ้างตลอดสังวัตรกับเป็นนันมากบ้าง ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคษอย่างนั้นหมายความว่าสังวัตกับวิวัตกับตลอดสังวัตกับสังวั ต, วว ต, นะวตะวิวัตะนะสังวัตตะวิวัตะซ้อนกันสองอย่างตัว น, นี้นับไปไหวแล้วสังสารวัตรนี่มันยาวนานว่ะหาเงื่อนต้นไม่ได้ เอาไปเมื่อไหร่ก็เจอวิชาทุกทีหมายความเจ้งสาวต่อไปอีกก็ไม่ได้ว่าแต่ก็คื้อวิชานั่นแหละแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็รู้รายละเอียดในแต่ละพบแต่ละชาติเจดวาชาตินั้นเรามีโคษอยากนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีสถานะทางครอบครัวทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรก็แล้วแต่จะ มีการอธิบายวิจิตพิสดารอย่างไรเดีย๋ยวในตัวอย่างที่ส่งแสดงเรื่องชาดกทั้งหลายเนี่ยโดยเจ็นว่าชาดกมันมีทั้งหมดห้ารอยห้าสิบเรื่องที่ส่งแสดงยาวๆเนี่ยให้รายละเอียดค่อนข้างยาวก็คือในทศชาติชาดกนอกจากนั้นพวกเอกนณิบาต ทุกกรณบาตรทกนิบาตจะทุกกรณบาตปัญญากลไกบาตรอะไรต่างๆเนก็เอามันเฉพาะประเด็นประเด็นที่สอดคล้องกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะประรบเรื่องชาดกเหล่านั้นแล pues Gmail, Number, up, ้วก็นํามาแสดงก็หมายความในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ก็ดีกว่าที่เราระลึกถึงชาติเราปัจจุบันเนี่ย สมมติเราจะให้ใครเขียนอัตาชีวประวัติเล่ารายละเอียดต่างๆเราก็เล่าได้เป็นรายละเอียดแล้วเพราะเราจะมีโลภะ โ, ลโลทสะโมหะโดยเฉพาะโมหะนี่มันเลอะมันลืมเล่าเล่าไม่ละเอียดกวนก่อนไปเจอแฟ้เมเอกาสารก็เก็บไปนานแล้ว ก็ลืมไปแล้วมันเป็นเรื่องอะไรก็เปิดขึ้นดูปรากฏว่าเป็นหลักฐานเป็นประกาศนิยบัตเป็นป ร, ริยบัตรรับรองเรื่องการศึกษาเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานงต่างๆหลายแผ่นนะเราก็ดูว่าเอเราก็ลืมหมดแล้วว่าพอส อ, อะไรอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเราพอสอเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็ลืมลืมหมดแล้ว สมัยนี้ก็มีหลักฐานจารึกเอาไว้อย่างน้อยกิระิยาะหนึ่งต่อไปนี่ก็คงจะมีระบบคอมพิวเตอร์นี่มันพัฒนาไปจนถึงเก็บข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆเอาไว้ได้เทเยจพยานของพระพุทธเจ้าที่ส่งให้ารายละเอียดในแต่ละพระยานเนี่ยเราจะเห็นว่าให้รายละเอียดมาก เช่นม <poisoned. S 2> ีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุเพียงเท่านั้นแล้วก็จุติจากนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพน้นในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดรอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นก็ได้มาบังเกิดในภพนี้อะไรแต่ลอย่างต่างหมายความว่าก็เวียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนั้น การนึกชาติตรงนี้รับสั่งเล่าว่าในปสมมยามแห่งราศีคำจัรวิชาเสียได้วิชาก็เกิดคำจัดมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสในเร่าร้อนมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ฉะนั้นนี่เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นสู่ตายตัวเลย เรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้สัตย ร, รู้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่อย่างนั้นก็คืออาตาปีสัมปัญโนสติมาหรือสติสัมโพชงธรรมวิยะสัมโพชงวิรยะสัมโพชงคือธรรมะชุดนี้เป็นชุดหลักถ้าต้องการผลสมริด จากการประปฏิบัติการบรรลุธรรมการประสบความสาเร็จเอาการประสบความสําเร็จในภารกิจการงานในการบรรลุธรรมตลอดทังศัตรูธรรมจะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ทีนี้จากนั้นก็โดยสภาพจิตที่ใช้ชื่อนี้มันซ้าแต่ว่ามีความประณีสูงขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้น มีความสงบสูงขึ้นมีกิเลสลดลงมากขึ้นแต่มันยังไม่หมดนะรับสั่งว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานอ่อนเนี่ยคือใช้งานได้หมายความว่าจะพลิกจิตไปยังไงก็ได้ตามที่เจ้าของจิตเขาต้องการ แล้วก็มีความตั้งมัน่นมีความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้นอนจิตไปเพื่อรู้จุติและอุอบัติของสัตว์ทั้งหลายเรานั้นเห็นสัตว์ผู้ที่กาลังจุติกาลังอุปบัติเลวบ้างประณีตบ้างพิพันดีบ้างพิพัน์สามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างโดยที่ประจักสุขอนบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ ย่อมรู้ชาซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวิจีทุจริตมนุสุจริตรติเตียนพระริยเจ้าเป็นมิจฉาทิจจิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจชฉาทิจจิมือหน้าเตยตายเพราะกายแต่เข้าถึงอบายทุ ก, กติวินิบาตในรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจิจีสุจริตแล้วก็ เมื่อหน้าแต่ตาก็กายแตกแย่อม เ, เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์กระบังอุปบัติเลวเปรีนน้ยนีมีพิภพดีพิภพสามได้ดีตกยากเป็นต้นโดยนิยาดังกล่าววิชาที่สองนี้ก็ส่งบรรลุในมัชิมายามแห่งราศีลักษณะาการเกิดของวิชาก็เหมือนเดิมในความวิชาเกิดกรรมจัดความมืดเสด็จ ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้เ้่าร้อนมีใจเด็ดเดี่ยวคงอยู่มั่นคงอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นตุตูปลาปาตัวใหญ่ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งสองเรื่องแต่ทีนี้นลานี้ในวงการชาวพุทธเอง ทางพระทางคารวะโดยเฉพาะคารวะเนี่ยเขามีความคล่องตัวสูงในการพูดเรื่องนรกสวรรค์ในการพูดเรื่องยาในการพูดเรื่องความรู้ที่ตนเองในสัมผัสเนี่ยเขามีความคล่องตัวสูงแต่พระนั้นมันมีปัญหาเรื่องวินัยบางทีแม้ตัวเองจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตของตัวเองแต่ว่าไปพูดไม่ได้ น, นีปัญหาทางวินัยอยู่เยอะวนราก็จะไม่ค่อยพูดในเรื่องตรงนี้แต่ถ้าเราอ่านคำพูดของท่านที่ลูกศิษย์ของท่านคัดลอกเทบมามันก็ส่งนัยาให้เห็นว่าท่านก็บอกโดยปริยายที่คนฟังซึ่งกำหนดติดตามก็จะเข้าใจว่าเวลานี้ท่านได้บรรลุแล้ว แล้วก็เราก็ไปพิสูจน์ไม่ได้เราไม่มีปัญญามากพอก็ไปดูตอนท่านมรณภาพแต่กระดูกของท่านเป็นท่านกเน็เป็นเป็นพระาธาตุก็แปลกประหลาดมาสิจันก็ทำให้เข้าใจว่าท่านเป็นพระรยา ก็คนที่บอกนั้นก็คือคนที่เคยเป็นอย่างนั้นรู้เห็นก็บอกกล่าวในเรื่องเหล่านี้แต่เราก็ไปเทียบเคียงกับเรื่องที่พระอาหารหันทนิพพานอย่างตอนพิษุณีห้าร้อยรูปแปรนิพพานพร้อมกันมีพระนางมหาประชาบดีโคตรมีเป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าลอยขึ้นไปนิพพานกลางอากาศต่อพระพักพระพุทธเจ้า พันระธาตุของท่านก็ร่วงลงมากองอยู่ข้างล่างก็สมัยนั้นก็มีการเก็บไปบรรจุเป็นสถูปไว้จะกบ ล, ลงมาแล้วปะปนกันหรือไม่เนี่ยเข้าใจว่าคงไม่ปะปนกันก็เลยกำลังอธิษฐานก่อนที่ท่านจะนิพพานอย่างที่พระนรนอธิษฐานให้อธิฐาคุของท่านไปปรากฏ อยู่สองฝั่งของเทวทหะกับระวิลพัทเพราะากลัวพระญาตจะแย่งพระาธาตุกันพระ่านท์าำได้ทีนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรตายจากชาตินั้นไปเกิดอย่างนั้นมีพพมีอะไรต่ออะไรต่างๆละเอียดประณีตไอ้ตัวปัจจัยหลักนั้นก็คือ กิเลสกักรรมไอ้ตัวที่ไปเกิดที่เขาเรียกว่าหยุติกจิตกับปฏิสนธิบิญญาณเนี่ยตัวปฏิสนธิบิญญาณที่ไปเขาเรียกอุปบัตินีครับไปบังเกิดบางทีเราเรียกอุบัติแต่ว่าจริงๆแล้วบาลีเรียกว่าอุปบัติหรือไปบังเกิดในกำเนิดต่างๆกำเนิดทั้ง4ี่ เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสุปรกเกิดโดยผุดขึ้นก็ด้วยพลังแห่งกรรมที่ท่านเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้แต่กรรมที่เป็นเหตุให้ตกปรบบายท่านสรุปไว้ไม่ทรงสรุปไว้ไม่มากหรอกแต่ว่าทานจริงๆหมดละอย่างหมดแล้ว เพราะว่ายังไงมันก็อยู่ที่ทุจริตกายวาจาใจนั่นแหละมันจะเกิดจากการปรุงแต่งของกิเลสชนิดนใดก็ตามแต่สรุปว่าออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจคือจากความคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วผลข้อที่ทรงยกขึ้นมาแสดงก็คือว่าคนเหล่านั้นมีความทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ ตีเตียนพระดีเจ้าเนี่ยมันเป็นทุจริตทางทางวาจากับทางใจคือใจคิดดุมินใจคิดศราทธาใจโกรธแค้นก็นแล้วแต่ก็ก็แลแ้ว แ, แต่ก็จะคิดแต่สรุปว่ามโนมันก็ต้องทุจริตโดยการกระทำที่ทุจริต โดยการพูดทิฏฐิริธก็ออกมาทางกายก็ะทงวาจาไม่ใช่ทางกายทางวาจาทางใจครบอย่างเช่นเคยเล่าเรื่องสุภพุทธกุฏิเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็อะไรล่ะถมน้ำลายใส่ข้างหน้า พระปเจกระพุทธเจ้าส่งบนนามว่าตักรสิทธีก็เป็นเหตุได้ท่านตกนรกแต่เกิดเป็นคนก็โรคเรื้อนอยากจนขอทานต่อมาก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลเป็นมัสโสดา บ, บัตแล้วก็ถูกท้าส ก, กาทดลอง อันหนักแน่นมันคงในปรตัตตนาตรายหรือไม่ก็พิสูจน์ได้ว่าถ้าห น, นักแน่นมันคงแต่ท่านก็ต้องผูกโคควิด ต, ตายพระวประปกรรมที่เคยทำเอาไว้ในสังสารวัติที่นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นที่มันวิปลาสคลาดเชื่อจากทำนองครองธรรม มันก็อยู่ที่มนูษทุจริตแล้วคิดออกไปก็เป็นมนุษทุจริตพูดออกไปก็เป็นวิจีทุจริตทาออกไปก็เป็นกายทุจริตแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลจิตจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ พต่างๆเนี่ยมันเกิดจากสภาพของจิตพอจิตถูกปรุงด้วยกิเลสขนาดหยาเป็นแรงไหมถ้ากิเลสจะหยาเป็นแรงจิตก็จะหยาบอย่างแรงร่างกายก็จะหยากว่าจิตก็จะหยาบภูมิจิตก็จะหยาบพบที่จิตเป็อุบัติก็จะหยาบก็กลายเป็นอบายทีนี้ถ้าสภาพจิต มีความหยาบลดน้อยลงแล้วลดน้อยลงไปตามลาดับก็จะแนกเป็นภูมิจิตระดับชั้นท่านขึ้นไปเป็นรูปธรรมก็คือเป็นสวรรค์เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสวรรค์หกชั้นรวมแล้วก็เจดชั้นทีนี้ถ้าประณีตมากกว่านั้นคือพวกบรรลุรูปฌานก็เป็นพรหม บรารลุอรุปรชานก็เป็นอรูปปรมเป็นพ ร, ริยะสามประเภทแรกก็บังเกิดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยกเว้นพระนาคามีซึ่งบังเกิดในพรหมโลกทีนี้เวลาเนี้เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องกฎของกรรมเรื่องกฎสังสารวัฏแ่เมก่อนดูรายการไม่ฉี่เคยดูก็สองครั้งละ ออกรายการโทรทัศน์ือหมายความว่าพอเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยแกจะรู้หมดอ่แต่นี่มีปัญหาอะไรแล้วแกก็แกก็จะเล่าให้ฟังบางทีผลจากบัตรประก ร, รเนี่ยมันปรากฏให้เห็นต่างๆ ท, ที่เจ้าของเขาไม่ไม่ยอมเปิดให้ใครดูเพราะงั้นแกแก็แสดงว่าแกไม่รู้มา ก, ก่อน แกก็บอกให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ที่ประสบความทุกข์ทรมานมาในในชาติก่อนมีอาชีพค่าเนื้อขายขายเนื้อนะฮะขายเนื้อไม่ได้บอกว่าค่าเนื้อเราข า, ขายเนื้ออยู่ตลอดระยะเวลาถึงห้าสิบห้าปีไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยขายขายค้าเนื้อมาตลอดเพิ่นด้วยบา ป, ปรกรรมตรงเนี้ยที่ไม่เคยทําบุญรุทิดกุศลให้แก่เนื้อเลย าทางที่เลี้ยงชีวิตด้วยเนื้อที่ตัวเองขายแบาบวกรรมเหล่านั้นทำให้แกเป็นเด่นคล้ายๆกันเนื้องอกอะ่ะอยู่ข้างหลังเป็นแผน่นสองสามแผน่นใายเลยก็ เ, เกือบเต็มหลังอะแต่แกถามว่าแม่ขอดูได้ไหมแต่แกก็บอกลูกหน้านะบอกว่าเขามีปัญหาที่ข้างหลัง เขาก็เปิดให้ดูโอ้โหน่ากลัวน่าน่ากลัวน่าสะดุ้งน่ า, ยาขยะแขยงบางครั้งวันดีคืนดีมันก็เกิดเป็นน้ำเลือดน้ำหนองขึ้นมาและเรียกคือเขาคล่องตัวเป็นมชีเนี่ยเป็นยาดโูมเนี่ยก็พูดได้แล้วก็ คือยังนึกว่าเราก็น่าจะพัฒนาองค์กรนี้ขึ้นมาองค์กรไม่ชีนเนี่ยนะครับองค์กรอบาบาลสกบาจิกาชุดข่าวเป็นแนวหน้าที่จะบุกเข้าไปใกล้ชิด ก, กับประชาชนสัมผัสกันได้จับต้องกันได้นั่งคุยนั่งใกล้ชิด ก, กันได้ในกรณีที่บาปแรงแรงเนี่ย บางทีเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่จะมีการโอกอดแล้วก็ค่อยตกข้างหลังคือบางทีจะเป็นหน้ามา้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนเป็นอามาพืชเนี่ยแกเรียกให้เดินก็ยกแจก จ, กจมแจกดุยระยะหนึง่งแกก็บอกให้หายให้หายพอเดินไปยังไม่ถึงปลายทาง่ะตัวมันก็ตรงขึ้นแต่ไม่ถึงก็หายแล้ว ต่อไปกีโกะบจะหายอันนี้คือมีการชี้ผลกรรมถามว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราเชื่ อ, อว่ามันจริงถ้าไม่เราได้ ง, งดเว็นไม่กระทำกรรมในลักษณะนั้นนั้นก็คือทุจริตทุจริตทางกายทางใจแต่ทางทางวาจาก็ต้องพูดด้วยนั่นแหละเพราะว่าขายเนื้อเ ต, ต้องลง่ามันครบ ในแต่ขึ้นสวรรค์ก็คือสุดจริตกายวิจาไใจแล้วก็ไม่ตีเตียนพระเนเจ้ามีความเห็นชอบจะกลายเป็นสูตรได้ดีตกยากอะไรต่างๆมันอยู่ในกระบวนการเดียวกันประการต่อไปนั้นเป็นอาสวัคยายาน สภาพของพระไทยเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าประนีขึ้นนะประนีขึ้นทุกคำเมื่อจิตเป็นสมาธิเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแผ้วไม่มีกิเลสปราศ จ, จากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ไนโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยานความรู้ชัดตามความจริงว่า นี่ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความรับทุกขนี้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกขนี่อาสวะนี่อาสวะสมุทัยนี่อาสวะนิโรดนี่อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ และพยานก็เกิดพึ่ขึ้นว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรมรรจัน์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีได้รับสั่งเหมือนกันนะว่าพรามพิชาสามน่แลเรามาลุลแลในปัจชิมยามแห่งราตรี กรรมจารวิชาเสียได้เพราะวิชามันเกิดขึ้นทำหน้าที่กระจารวิชากรรจาดความมืดเสียได้เพราะว่าแสงสวามันเกิดขึ้นเหมือนมืดเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียเพรเผากิเลสให้ร้าร้อนมีใจเด็ดเดียวมั่นคงอยู่ดังนั้นนี่ก็แสดงถึงผลมาจากการที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องความกลัว แก้ปัญหาจะเรื่องความกลัวมันตั้งแต่ต้นแก้มาโดยลำดับแล้วก็เดินมาในเส้นทางของเมื่อจิตสงบจากความกลัวเนี่ยจิตมันก็อยู่ข้างในก็ดูจิตดูจิตตัวเองอยู่พอจิตเริ่มรวมกลัวเข้า ก็เดินไปบนวิถีของสมาธิบรรลุฌานรูปฌานเราเห็นว่าไปแยกออกที่วิปัสสนายานวิปัสสนากรรมฐานที่หลังะตุตฌานแล้วก็จากนั้นก็ตัวความรู้ก็เกิดขุดขึ้นตัวสภาพจิตที่มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว แล้วก็ไ ม, ม่มีอาการของกิเลสแม้จะยังไม่หมดก็ตามแหละแต่ว่าอาการมันไม่ปรากฏแต่การน้นําที่ตกตะกอนแล้วก็น้ําใสนี่มันเยอะน้ําที่ตกตะกอนก็อยู่ข้างล่างมันไม่มีแรงกับแทกอะไรอะ่ะเพราะว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ทรงอยู่ในป่าตอนอยู่ที่ต้นโพนั้นก็อยู่ลําพังพระองค์ พอขับพยามารไปตั้งแต่ปฐมยามเมงรารีแล้วจากนั้นก็อยู่ลำพังฝันจิตก็ดูจิตดูสภาพจิตแล้วแก้ไขสภาพจิตไปโดยลำดับพระเจ้าไม่ได้แก้ปัญหาจากข้างนอกเลยแก้ปัญหาเาพาะภายในโปร ปัญหาใหญ่ว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบแก้ปัญหาของคนอื่นรู้ความชั่วความผิดของคนอื่นหมดเลยสารพัดที่จะเอามาพูดคือบางทีดูข่าวเนี่ยดูรายการที่เขาสนทนากันเราก็นึกว่าเออมันสะสมบาปกันไปทําไมหนักหนาน า, นาเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทํำให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้ แล้วก็บาปที่เราทำแก่คนอื่นเนี่ยเอ่อสมมติว่าสังคมเชื่อถือคนเหล่านั้นก็จะเป็นไปตามกรรมที่เขาทำถ้าเขาไม่ได้ทำคือเขาไม่ได้ทำสังคมจะเชื่อถือยังไงก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วเขาก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบัน แต่เราที่เบียดเบียนเขาด้วยทุจริตทางกายทางวาจาทางใจจะประสบความทุกข์ในอบายอยีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้พยายามคิดใช่้างคิดถึงโลกหน้าให้มากคิดถึงบา ป, ปรกรรมให้มากแล้วพยายามหลีเกเว้นให้มาก ถ้าสามารถทำได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปยังไม่ถึงไหนก็ปิดประตูนรกกัได้ก่อนก็แลแ้วกันถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ดีขึ้นถ้าเป็นสวรรค์ได้ก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่จะดีจริงหรอกเพราะพบชาติเหล่านั้นมันเป็นการพักชั่วคราวแล้วก็ต้องย้อนกลับมาสู่สังสารวัตรต่อไปอย่างนิเทศแห่ง ผู้เพยในวาสารตัวยางที่ส่งแสดงเอาไว้ทุกฟังทัหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลากึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี